أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ص ل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله و أ ص ح ا ب ه أشمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري วะฮ ل الع ู العقدة م ن ل س ا ن يبقى قولي اللهمعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا و ز د و إ ن نا نا ر ر ا علما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم توكر لنا وترحمنا ل ن ك ن ن من الخاسرين ربنا أ ت ن ا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا الحمد لله ขคุณาอัลลอ์ะอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เราได้มาร่วมกันอ่านพระคัมภีร์ของพระองค์ <c oughs> ทบทวนอายัตต่างๆที่เป็นิดายเป็นแสงสว่างเป็นทางนำให้กับหัวใจของพวกเราหัวใจของเราหัวใจของมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องที่แปลก ไม่แปลกได้อย่างไรอัลลอฮฺสุบฮานาะาาบอกว่าเวลาที่หัวใจของมนุษย์แข็งกระด้างมันจะแข็งยิ่งกว่าก้อนหินก้อนหินเนี่ยแข็งขนาดก้อนหินเนี่ยเวลาที่มันแตกมันก็ยังมีน้ำไหลออกมาจากก้อนหินเพราะฉะนั้นหัวใจของมนุษย์ เวลาที่มันแข็งกระด้างมันแข็งยิ่งกว่าก้อนหินซี่อกหัวใจของมนุษย์แข็งได้อย่างไรอัลตัลาก็บอกไว้เช่นเดียวกันหัวใจแข็งกว่าหินเนี่ยถูกพูดถึงในสุรุตุลบักระเรื่องราวของพวกเบนิอิสราออลของชาวคัมภีร์หัวใจแข็งได้อย่างไรก็เป็นเรื่องราวที่อัลตัลาพูดถึง กับชาวคำพีเช่นเดียวกันแต่ถูกพูดในส و ลยุณทีนัอุทุลตับมันก่นฟ้าท่าเลยมุลเอมาลฟักสต์กลมัะงหนึ่งขมนฟาสิูลอัลตลเตือนพวกเราอย่าได้เป็นเหมือนกับบรรดาผู้ที่ได้รับคำพีมาก่อนหน้านี้พวกเขาและเลยและเลยต่อต่อพระคมภีของอัลลอฮ์ ละเลยต่อคําสั่งของอัลลอฮ์พอเวลาผ่านไปนานนานเข้านานเข้าหัวใจของพวกเราเริ่มหัวใจของพวกเขาก็เริ่มแข็งกระด้างทิลนิทีละนิดอัล Allah, ลอฮ์ตรัสเตือนเราไม่ให้เราเป็นเหมือนกับบรรดาชาวคมภีร์เหล่านั้นดังนั้นวิธีป้องกันไมห่หัวใจของเราแข็งกระด้างต้องอยู่กับอัลกุรอานอย่างสม่ําเสมอ สังเกตดูเมื่อเราเริ่มห่างจากอัลกุรอานหัวใจของเราเริ่มที่จะทะเลทไลไหลเริ่มที่จะไปทางขวาทอไม่ก็ไปทางซ้ายเริ่มจะไม่เที่ยงละเริ่มจะมีปัญหาดังนั้นเวลาที่เราเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มจะอะไรนะ เ, เริ่มจะไปขวาหรือไปต้องตั้งศูนย์ใหม่เหมือนล้อจะเหมือนล้อรถเหมือนกันต้องไปตั้งศูนย์ ตั้งศูนย์เองไม่ได้ก็ต้องไปให้ช่างช่วยตั้งให้ั้วั้วนนั้วั้วั้วั้ตต ว, ว, วั้ใั้วั้วั้วั้วารวั้วั้หั้วั้วั้วั้วั้ให้วัาวั้วั้วั้วั้วั้วั้วั้วท้วั้วั้วใ้วั้วั้อั้วั้อั้่ั้วั้วั้วัาวั้วั้ะัาวั้วั้วัาวั้วั้วั้วั้วั้ตรงวังงอวั้วั หรือบางทีอาจจะบอกบอกแบบอ้อมๆอไม่ได้บอกตรงๆแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นมีอยู่ในพระคัาภีร์ของล่องสุพรรณนาะแหละอย่างวันนี้เราก็ยังจะพูดถึงประเด็นอัลกุรอานต่อเพราะว่ารอบที่แล้วเราพูดถึงอัลกุรอานว่าอัลกุรอานเนี่ยมีทุกอย่างในนั้นนั่นแหละคือคำตอบสำหรับคำถามว่าเราต้องเรียนอัลกุรอานถึงขนาดไหนผมบอกว่าเรียนถึงขนาดที่เราสามารถบอกได้ว่า ไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราต้องรู้ว่าจะแก้ปัญหาด้วยอายัดไหนในสุรษใดพระดํารัสอันไหนของอัลลอฮฺสุบฮานาอุตะลาจะมาแก้ปัญหานั้นๆของเราถ้าถึงจุดนั้นแล้วโอเคคุณจะหยุดเรียนก็นก็แล้วแต่ได้ไม่มีปัญหาเพราะคุณเข้าใจแล้วไงได้แล้วรู้เรื่องหมดแล้วไม่ต้องเรียนก็ได้หละแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้เพราะว่ามันยากมากเลยมากแตบางที จริงๆแล้วพอคนถึงจุดนั้นจริงๆเนี่ยเขาไม่อยากจะหยุดแล้วไม่ใช่ว่าฉันขอหยุดอัลกุรอานเพราะฉันรู้หมดแล้วไม่มีไม่มีใครที่เรียนอัลกุรอานแล้วมีความรู้สึกว่าพอถึงจุดที่รู้หมดทุกอย่างเขาอยากจะหยุดไม่มีหรอกเพราะว่ามันไม่เคยหยุดอัลกุรอานเนี่ยมันสามารถที่จะค้นคว้าหาของใหม่ๆได้ตลอดเวลามันคือ ขุมทรัพย์แห่งมหาสมุทรที่เราเวลายิ่งเราเข้าไปเราเจอสิ่งแปลกใหมย่ยิ่งลึกเท่าไร่ยิ่งเจอเรื่องราวต่างๆที่สวยงามมันหยุดไม่ได้หรอกมันยิ่งอยากจะหาต่อไปเรื่อยๆแต่คนที่ไม่อยากจะเรียนไม่อยากจะหาเนี่ยเพราะว่ายังไม่รู้จักว่าอัลกุรอานคืออะไรต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะทําตัวห่างเหินกับคัมภีรของอัลลอฮฺสุลตานอวส่าละ อินชาอัลลอฮ์นะวันนี้สุรทูลกษัฟีอายะ ท, ที่ห้าสิบหกเป็นต้นไปต่อจากรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วห้าสิสี่ห้าสิบห้าวันนี้ห้าสิบหกดูซิว่าจะได้สักกี่อายะห์ไหวไหมพวกเราอ่านสักอ่านสักอ่านสักสองอายะห์แล้วก็ถ้าสมมุติไปต่อได้เราก็อธิบายเพิ่มนะฮะเหมือนปกติ เอาละห้สิบหกหสิบจนะรุบิลลอฮ์ม ل นอั ا ชัยตานอัรจ ว َمَا ن ُ رس ลุล ل ุรสัลีนอิลลามุบัชรีนว ذ ِ ر ِ ي ن َ و يجادل الذين كفروا بالباطل ليُدحضوه به الحق و ทั ا ว أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ز ُอนแอ في ربي آيات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يده อินน่าจ عل นาอาลากลูบิห์มอาคินเนาะอาคินเนาะต้นไอนี่ฟัควะหู وفي آذانهم وقرآن وإن تدعهم إلى ا ل ه د َ ة فليه จะดู อ, อิ่นอับดาอัลฮมดุลิลลนะสองอายันี้สุบฮานะลอหเปิดเผยข้อเ <c oughs> ท็จจริงบางอย่างที่น่าทึ่งมากเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนว่า อัลกุรอานมันมีชีวิตอัลกุรอานไม่ใช่หนังสือโบราณที่เหมาะกับคนยุคในสมัยอดีตและไม่เหมาะกับคนในยุคเรายุคเราไม่สมควรที่จะเช้าอัลกุรอานแล้วไม่ใช่เลยสองอายันี้มีบทเรียนต่างๆที่เราสามารถจะดับบทและถอดออกมาได้อย่างมากมายเหลือเกินนะอัลลบฮฺสา่งบอกว่าอย่างไรว่มะนุรซิลุลมุรซิลีน อิลามุบัชรีนแะมุนซิรีนอัลลอฮ์ أكبر นี่คือหน้าที่ของบรรดารอซูลผู้นำที่นำศาสนามาให้กับมนุษยชาติในความรู้สึกของเราเนี่ยคนที่เป็นศาสดาในภาษาของเราใช่หครับจริงๆแล้วคำ ว, ว่าศา ส, ะสะดาเนี่ยเขาบอกว่าไม่คนใช้กับนบีหรือรอซูล วลลหะอัลัมผมก็ไม่เข้าใจไม่ค่อยสันทัดภาษาไทยเนาะแต่เขาบอกว่าเพราะว่าคําว่าศาสดาเนี่ยหมายถึงคนที่คิดหรือคนที่ประกาศศาสนาด้วยตัวเองไม่ไดเอามาจากพระเจ้าวลลหะอัลัมเพราะฉะนั้นคาอื่นที่เขาใช้มาใช้แทนศาสดาก็คือเขามักจะใช้คําว่าศาสนทูตศาสนทูตหรือรอซูลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอัลมุสซลีนหมายถึง ผู้ที่อัละะลอาฺส่งมาให้มาเป็นรอซูลเนี่ยหน้าที่ของพวกเขาเคืออะไรพวกเราคิดว่าท่านนาบีมีหน้าที่อะไรต้องใช้ให้ถูกหน้าที่ด้วยเพราะทุกวันนี้มนุษย์หลายคนหลายพวกหลายหลายหลายชนชาติเลยหลายศาสนามองผู้นำศาสนาด้วยมุมมองอื่น มองคนที่นำศาสนาผู้นำหรือศาสดาของพวกเขาไม่ใช่ตามหน้าที่ที่ถูกส่งมาหรือบางทีมุมอมองนี้ก็อาจจะมีในสายตาของมุสลิมบางกลุ่มเช่นเดียวกันพวกเราให้ความสำคัญกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลละสลัมในเรื่องใดมากที่สุดอ่ะ เราให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากที่สุดครับพอพูดถึงท่านนาบีอัวันออมาชาลอเดือนนี้ก็ตรงกับเดือนรับอวิอวัลด้วยเป็นเดือนแห่งการเกิดของท่านนาบีเดือนเกิดเดือนรับวะฮิยูและก็เดือนตายสามอย่างนี้เราให้ความสำคัญกับอะไรมากที่สุดพอถึงเดือนนี้อะไรนะมมไม่ใช่ไม่ใช่บางแอนคนอื่นทั้งหมดอะ อุมะอิสลามส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับเรื่องไหนฮะมาหู سبحان ัลลอฮ์เอมนเอาง่ายๆเลยอยู่เป็นเดือนแห่งการเสียชีวิตแต่พอถึงเดือนนี้ปุ๊บอุมะอิสลามจะให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรการเกิด ในอัลกุรอานเนี่ยพูดถึงการกำเนิดท่านนาบีสุลต่ามในอายัดไหนบ้างเวลาที่อัล ล, ลชชอฮทเยท่านนาบีของเราสุลตนพระองค์ทมเชยท่านนาบีในฐานะอะไรในฐานะอะไรมูลเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้คนที่ชื่อมุฮัมมัดบนอับดุลลาห์สุล่า ได้รับการยกย่องเนี่ยอะไรคือตำแหน่งอะไรเห็นไหมพระองค์บอกว่าววมะอัลสลนะกะอิลลาระห์มะตะนลิลกาเลมีนสิ่งที่ทำให้ท่านนาบีของเราได้รับความพิเศษเนี่ยไม่ใช่ตัวตนของท่านอย่างเดียวแต่สิ่งที่ทำให้ทุกอย่างเลยเหนือกว่าทั้งหมดเนี่ยการที่พระอัลลอฮวตั๋ลา ยั لا لا ้ขึ้ศูห์บริสัลล์ลือให้ถนมริสัลล์จากพระองค์ a l س ب ا ه ะ ل را را تم تم ى ผู้นำริสาลล์ริสัลล์อะไรสารจาก a l ล a h หรือที่เราเรียกว่ารัสูลเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะวิเคราะห์ว่าเราควรจะต้องทาอะไรหน้าที่ของเราต่อท่านนบีสุลต่านละเนี่ยต้องดูว่าท่านนบีมีหน้าที่อะไร หน้าที่ของท่านนบีก็คือว่มานรุสิลุลมุรสลีนอิลลามุบัชชีรีนและมุนซิรีนหน้าที่ของรอซูลก็คือมาแจ้งข่าวดีและมาเตือนแจ้งข่าวดีสนับสนุนส่งเสริมให้มนุษย์ทำดีถ้าเรารักรอซูลจริงเราต้องทำดีตามที่ท่านรอซูลส่งเสริมเรียกร้อง สนับสนุนเราว่มุ่นซิรีนและมาเตือนไม่ให้เราทําชั่วให้เราเลิกสิ่งที่ผิดให้เราเลิกกระทําความผิดถ้าเรารักรอซูลจริงเราต้องตามท่านด้วยการเลิกสิ่งต้องห้ามเลิกทําสิ่งต่างๆที่ท่านนาบีมาบอกว่ามันจะพาเราไปสู่การลงโทษของลองสุมาห์นะฮุวะจาละนี่คือหน้าที่ของรอซูลจริงๆหน้าที่จริงๆของท่านรอซูล สลละล่องสลละเพราะฉะนั้นเวลาที่ดูเนี่ยเวลาที่ดูคําตัดสินของอัษฎาดีนี่ผมชอบมากอัษฎาดีนี่มีมุมมองในการตดัด บ, บทที่บางทีหาจากที่อื่นไม่ได้ต้องบอกว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าเลมนุซิลุรุสุลอาเบซาเราไม่ได้ส่งทูตศาสนาทูตของเรามานี่ส่งมาเพื่อมาเล่นเล่นมารื่นเริงมาฉลองไม่ใช่ไม่ใช่มาเพื่ออะ <c oughs> <c oughs> ว่าแล้วจะทั้งๆมนุษย์อารบะบไม่ได้มาส่งรัสูลมาเนี่ยเพื่อให้มาบูชาไม่ไหมศาสนาที่บูชารัสูลอก่อนหน้าอิสลามไม่ไหมซุฮานัลลอฮรัสูลมาไดมีหน้าที่เพื่อมาเป็นสิ่งบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์มาขอบารักัดมาลูบมาบนบานมาไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่รัสูล ว่าเราเรียดูอิละอ ل ลและไม่ใช่หน้าที่ของเราสูงที่จะต้องเรียกร้องให้คนอื่นเนี่ยมาเคารพภักดีตัวเองเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นให้รู้จักด้วยเบลรซลนาฮุมยดนาสดนัน้าสอิลคุล ي ر วยนฮาวนอัคุลชรนี่ไงหน้าที่ของราสูงหน้าที่ของราสูงที่อัลลอฮฺอะลัยฮุสซมพวกเขาามาเพื่อให้พวกเรสูเนี่ยเรียกร้องมนุษยชาติไปสู่ ความดีทุกประการและให้บรรดามนุษยชาติละเลิกจากอบายมุกสิ่งไม่ดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วว่ารอซูลมีหน้าที่อะไรเราก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่รอสูลถูกส่งมามาชื่อ Allah การประทานรอสูลมาเนี่ยเป็นเนะ้มฟ้าวกนเนืม้มเป็นเนะหมที่ทบเท่าวทวีคูณอีกขั้นหนึ่ง ก่อนหน้านี้เราพูดถึงเนืหมัดการที่อลว l l a h s ล t ประทานอัลกุรอานลงมาให้กับเรายัางไม่พอถ้าสมมติ a l l ะ h SWT จะส่งอัลกุรอานมาให้กับเราเฉยๆแล้วก็จบให้เราอ่านอัลกุรอานเองให้เราศึกษาอัลกุรอานเองพี่น้องคิดว่าเราจะเข้าใจอัลกุรอานได้ดีไหมเห็นไหมครับมันไม่พอหน้าที่ของเราสิ่อีกประการหนึ่งก็คือมาเป็นผู้อธิบายอัลกุรอานอัลกอเรีม เหมือนที่อัลลอฮฺสั่งพระองค์ตรัสลาพูดถึงหนที่ของท่านในสราอัลจุมะฮีาอานอัลกุรอานแล้วเราก็มีรอัลลตสอัลกุรอานมายงไม่พอทรงบทละครมาให้กับพวกเราทุกคนเราทุกคนเหมือนเป็นตัวละคร ที่ต้องแสดงละครในโลกดุนยาดุนยานี้เป็นเวทีใครเป็นตัวละครอ่ะพวกเรานี่ไงแล้วตัวละครมันก็มีสองฝ่ายมีฝ่ายพระเอกกับมีฝ่ายอ่าถ้านี่ถ้าหนังจีนก็มีมีฝ่ายธรรมะกับมีฝ่ายฝ่ายอาธรรม <laughs> มีตัวละครสุดท้ายเราเหแล้วเราแสดงละครตามบทบาทของใครอ่ามีบทละครมาให้เราเสร็จสับเรียบร้อย ต้องทํำยังไงต้องอยู่ยังไงต้องอ่านยังไงต้องกินยังไงต้องใช้ชีวิตอย่างไรด้วยคํำพีของล l l a h บางทีอ่านบทละครก็ยังไม่เข้าใจอีกต้องมีผู้กํากับแสดงให้เราดูในอัลกุรอานบอกว่าว่าอักีมุสล่าจงละหมาดอ่านี่บทละครแล้วเนี่ยต้องละหมาดเอาลองละหมาดดูสิมาละหมาดไม่ถูกผู้กํากับก็ละหมาดให้เราดู สั้นลงแคมาราไอตัวูนีอุสลิท่านนาบีบอกว่าจงละหมาดเหมือนกับที่พวกท่านเห็นฉันละหมาดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นโลกนี้จะไม่มีรอซูลไม่ได้อิสลามจึงส่งมาทั้งกิดาบและส่งมาทั้งรอซูลอัลรนะอสูลซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัลลอฮุอะลัอฮุอะลัยฮุอลาม ะ, ะมากเนี่ยมนุษยชาต บรรดาคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่อะาตอ l l เนี่ยไม่รู้จักรอซูลอย่างแท้จริงพวกมุสรินไม่รู้จักรซูลอัลกุรอานก็ไม่รู้จักละแลวยังไม่รู้จักรซูลอีกจึงไม่ให้คุณค่าทาเล่นๆเนี่ย a l บอกว่าอย่างไรวยจดลุ่ล้วี้นักฟารูบิลบาตลลดพิษูบิลฮักบรรดาคนฟร คนที่ปฏิเสธศรัทธาต่อโดยเฉพาะในยุคของท่านนบีเนี่ยเป็นยังไงครับยูจดิลโตเทียง a l l บอกแล้วมนุษย์ชอบโตเถียง و ك อะไรนะ وكان ا ل إ ن س น่านี่ Allah บอกแล้วว่ามนุษย์นี่ชอบทะเลชอบโตชอบเถียง นี่ไงเถียงเถียงเพื่ออะไรวายุจาดิลุลลาดีนักฟารูบิลบาติลเอาเรื่องที่มันไม่ใช่ความจริงมาเถียงลี้ยดฮิจูบิฮิลฮักเพื่อทาให้สัจธรรมจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั้นสันคลอนอัลลอฮ์สัจธรรมจากอัลลอฮ์อัลฮักกูมิรับบิกอันนี้เราก็เรียนลว ในส่วตุลกะฟินที่เราเรียนก่อนน้านี้ น, าน้าละตอนที่เธอท่าไหร่จํอานได้นอ่านอ่านอ่านอ่านอ่อ่านอ่นอานอ่านอ่านอ่นอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่มอ่านอ่านอ่านอ่าอ่า่านอ่านอานอานองานอ่านอ่านานอ่านอ่านอ่านอ่า่านอ่านอ่านานอ่านอานอ่านอ่านอ่อ่บบานอ่าน่านอ่นอ่าะอยน่านนออ่่าาาาาอาอาอาา่อ่อ่า่อ่าอ น, น, าา AH. นอ ให้มันสั่นให้มันโยกเยกสักหน่อยก็ยังดีสร้างความเคลือบแคลงให้กับคนที่กำลังต้องการจะปฏิบัติตามความถูกต้องเลยอยู่ดีๆอัดเดอดูเนี่ยในภาษาอังเนี่ยคำเดิมของมันนี่แปลว่าดินที่ดินที่เหมือนดินโคลนดินที่มันยวบยาบยวบยาบอะ่ะเวลาที่เราเดินแล้วเราต้องระวังพยายามที่จะทำให้ ความจริงที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะลาประทานลงมาเนี่ยสร้างความเคลือบแคลงสงสัยถามว่าปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยมันมีอยู่มันมีอยู่ทุกยุคสมัยนะมันไม่ได้มีเฉพาะในยุค ข, ของท่านนาบีส ล, ลลฮอลาะหาสัลลัจนกระทั่งทุกวันนี้มาชาอัลลอฮ์อัลกุรอานได้รับการพิทักษ์ปกป้องจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะลาตั้งแต่วันแรก ที่ถูกประทานลงมาจนถึงทุกวันนี้อัลกุรอานก็ยังได้รับการปกป้องจากอัลลอฮฺเรออัลาลาแม้ว่าในประวัติศาสตร์ตลอดระยะเวลาของการเดินทางอัลกุรอานเนี่ยเดินทางมาถึงยุคของพวกเราเนี่ยตลอดระยะเวลานี้อัลลอวฺอัลกุรอมีตั้งเท่าไหร่ความพยายามที่จะทําลายความน่าเชื่อถือของอัลกุรอานอิสลามถ้าพี่น้องได้เรียน เรื่องราวของบรรดาออเรียนเตอลิซึมพวกนักบุรพาคดีเป็นน้องจะตตลึงว่ามีด้วยหรือในโลกนี้ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอ์ไม่ได้เชื่อท่านนาบีมุฮัมมัดสลไม่ได้อยากจะเป็นมุสมินไม่ได้อยากจะเป็นมุสลิมแต่เรียนอัลกุรอาน เรียนฮัดีิสของท่านนาบีเรียนขนาดไหนนี่เราฟังแล้วเราอายเลยนะพวกเราเรียนสัปดาห์ละครั้ง <c oughs> ได้อะไรว่างเราเรียนสัปดาห์ละครั้งเนี่ยเราเรียนอัลกุรอานฮัตติเรายังไม่ได้เรียนนะคนพวกนี้เรียนอัลกุรอานจนกระทั่งสามารถวางอินเด็กซ์ดัชนีที่เกี่ยวกับคำเพียอัลกุรอานได้หมดเลย อ้าวสุร้อนนี้พูดถึงอะไรสุร้อนนี้พูดถึงอะไรพวกนี้มันเขียนหมดถึงขนาดนะั้นก่อนหน้านี้สมัยที่ผมเรียนใหม่ๆนะเรียนตอนที่สมัยเรียนมหาลัยปีหนึ่งปีสอ ง, งจนถึงปีสีน่นี่ตอนนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์ยังไม่มีคอมพิวเตอร์แล้วรู้ไหมว่าเวลาที่เราจะหาฮัดีิสบทหนึง่งนี่เราหายางไรต้องพึ่งสารานุกรมสารานุกรมฮัตติสก้าเล่ม นะั่เริ่มตั้งแต่ซอฮิบุคารีซอฮิบมุสลิมรู้สึกว่าก้าเล่มจะจำไม่ผิดนะเราจะหาฮะดีสบทนึงนี่ใช้เวลาเป็นวันนะบางทีต้องไปค้นในสารานุกรมขอโทษครับสารานุกรมฮะดีสเนี่ยที่เราใช้อ้างอิงเพื่อหาฮะดีสเนี่ยคนที่เขียนคือชื่อนะชื่อเอาชื่อก่อนแล้วลองเดาซิว่านนับถืออะไรชื่อวินเซก เป็นคนฮอลแลนด์ศาสตราจารย์วินเซกมุสลิมไหมไม่ใช่มุสลิมแต่ทาดัชชนีหฮัตติสาเล่มบุคาริมุสลิมอบุดาวูดซุนันซิต้าอยู่ในนั้นหดเลยดารีมีพิ่เข้าไปอีกแม่ว่าเราจะไปหาหัดติเราต้องอ่านหนังสือของพวกนี้แหละเพื่อที่จะไปหาหัดติสได้สักบทหนึ่ง เดี๋ยวนี้มันง่ายไงเดี๋ยวนี้มี Google <c oughs> มี Google อ่เปุ๊บหาเจอเลยนาทีเดียวนี่ไงเขาทำทำไมเขาทำดัชนีอัลกุรอานทำไมเขาทำดัชนีฮะดีษทำไมจริงๆแล้วถ้าเขาอยากจะได้ฮีดายะจริงๆอะไม่ต้องทำถึง <c oughs> เก้าเล่มหรอกเล่มเดียวเนี่ยได้รับฮิดายะเป็นมุสลิมไปตั้งนานแล้วนี่ไไม่ใช่แค่คนเดียว น, นะครับ โลกของพวกนักบุรพาคดีเนี่ยอัลลอฮวอักบผมมีรายชื่อเป็นหนังสือเล่มหนึ่งเลยรวบรวมรายชื่อของนักบุรพาคดีเนี่ยอายันี้วยุจดลุลละดีนักบฟารูบิลบาิลลยเฮดูบิลฮักกจุดประสงค์ของคนเหล่านี้ก็คือเพื่อไปต้องการต้องการหาจุดอ่อนแล้วจะหาเจอหรอหาจุดอ่อนของอัลกุรอานอะ่ะนั่นอ เป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องโกหกนี่เป็นเรื่องจริงโลกนี้เนี่ยมันมันหน้ามันนห า, าอะไรเขาเรียกถ้าเราเรียนรู้เรื่องความพยายามของตะวันตกที่จะทําลายอารยธรรมอิสลามเนี่ยยาอัลลอฮ์เป็นอะไรที่ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ตะลาามากมากที่อิสลามฝ่าฟันมรสุมอุปสรรคเหล่านั้นมาจนถึงทุกวันนี้ได้อย่างไร แล้วยังมีความจริงให้เราได้ใช้ให้เราได้อ่านให้เราได้ปฏิบัติตามอย่างดีมากจนถึงทุกวันนี้ธรรมดลิลยชุโกตตลาตะหลามากๆเลยถ้าไม่ใช่ความจริงมันจะอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรผ่านอะไรมาเยอะผ่านอะไรมาหลายหลายเหลือหลายอย่างเหลือเกินทั้งตั้งแต่นู้นเลยนะครับก่อนที่จะมีนักบริพารคดีเนี่ยมันมีนู่นอีก ถ้าเราจาได้สงครามที่เราเรียกว่าสงครามเจงกิสคานเนี่ยไอเจงกิสขานี่มันไม่ใช่เรื่องโกหกนะครับมันไม่ใช่นิยายนะเจงกิสคานกองทัพเจงกิสขาเนี่ยยกทัพไปตีเมืองแบกแดดไปจนตีเมืองแบกแดดเนี่ยแม่ทัพชื่อฮูลาคูหรือโฮลาโกเป็นหลานของเจงกิสขานเข้าในเมืองแบกแดดเนี่ยข้า คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยแล้วก็เผาตำลับตําราของชาวมุสลิมตอนนั้นนะฮะจนกระทั่งแม่น้ําฟลรด์ดแม่น้ํำยูเฟรติสเนี่ยกลายเป็นสีดำหมดเลยกลายเป็นสีดํเาเผาหมดอารยธรรมอิสลามทั้งหมดที่อยู่ในแบกแดดเนี่ยเ่มไปกับการโจมตีของพวกเจงกิสคาแล้วคนที่เป็นหนอนบ่อนไส้อันเนี้ยต้องระวังให้ดีคือเสนาบดีของคอลิฟฟ์เป็นหนอนบ่อนไส้ แต่หนอนบอนไส้คนนี้ไม่น่าแปลกที่จะเป็นหนอนบอนไส้เพราะว่าเป็นชอช้างสรลาีชอช้างสรลาีชีและก็เอ็ ก, เ อ, กเอ็กข้างหลังเป็นเรื่องปกติที่คนพวกนี้ชอบทําลายกันเองแทงข้างหลังนี่คือความพยายามก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นผมบอกแล้วว่าอายันี้มีชีวิต ทุกวันนี้ก็ยังมีความพยายามที่จะทำลายทุกอย่างมาในรูปแบบที่เรามองไม่ออกบางทีเรามองไม่ออกว่าเขากำลังจะทำลายอิสลามเขาอาจจะมาในานามโมนิทิมาในานามให้ความช่วยเหลือมาในานามนักวิชาการมาในานามนักสังคมสงเคราะห์อัลลอฮฺวาลามาในานักสิทธิมุสตรีมาเยอะแ ย, ยะมากมายเดี๋ยวนี้แต่เบื้องหลังเบื้องลึกคือต้องการที่จะทาลายรากฐานของศาสนาอิสลาม อัลฮัมดุลิลลัห์ที่เรามีอัลลอฮ์เนี่ยถ้าลำพังพวกเรากันเองเราคงไม่ไหวที่จ ะ, ะปกป้องศาสนาอิสลามของเราแต่ทุกวันนี้เราเป็นแล้วแต่อย่างไรก็ตามเป็นหน้าที่ของเราด้วยที่จะต้องห่วงแหนที่จะต้องดูแลนะครับศา ส, สนาอิสลามประศาธธรรมที่อัลลอฮ์สุลต่านประทานมาให้กับเราเนี่ยให้คงอยู่ต่อไปอัลฮัมดุลิลลัห์อ่า คนเหล่านี้เนี่ยทำเป็นเล่นกับอายัของอล่องสุภานอัลลอฮฺกับสิ่งที่ท่านนาบีสุลต์ละฮฺอัลลอฮิวะสัลลัมเอามาเตือนเอามาบอกกล่าวให้กลัวพวกเขาทํำเป็นยังไงครับเขาส่วล้ อ, ลอเลียนทุกวันนี้เห็นไหมเห็ล้อเลียนการล้อเลียนเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เราเห็นง่ายมากเดี๋ยวนี้ล้อเลียนล้อเลียนอิสลามเนี่ยเยอะที่สุดอัลลอฮฺ สุภานั่นแหลอย่าว่าแต่คนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาหรือฝั่งตะวันตกหรืออะไรบางทีในโลกมุสลิมกันเองหรือกระทั่งในโลกอาหรับกันเองก็ยังมีที่ล้อเลียนศาสนานะครับเป็นอาหรับที่ไปเรียนแล้วถูกล้างสมองแล้วกลับมาอยู่ในประเทศตัวเองแล้วก็มาล้อเลียนศาสนาอิสลามอัลลอฮฺเราเป็ะห์มินดะเลกัสซาฟุรุลลอฮฺอัตุบิลัยละ อย่าตั้งใจฮันส์บเจนว man أظلم من من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده يا الله الله ت ع ا ลาเรียกคนเหล่านี้คนที่ผมนะคนที่เราอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ละตัลาบอกว่ามีใครอีกที่จะอธรรมที่จะเลวที่จะชั่วช้า มากไปกว่าคนเหล่านี้อีกคนเหล่าไหนคนที่ละตาลาเตือนแล้วคนที่ได้ฟังอายัดของละตาลาแล้วคนที่รอสูลมาพูดมากล่าวมาตักเตือนให้ฟังแล้วพวกเขาทำอย่างไรฟะอัลละอันหเป็นหลังให้ไม่สนใจวานาซียมากัดดามะทียดะไม่สนใจแล้วยังไม่พอบางทีนะครับเมื่อกี้ก็เถียงอีกล้อเลียนอีก และไม่เย่ไม่ยแสต่อความผิดที่ตัวเองทำมาสิจะบอกอยังไงฉันไม่กลัวฉันไม่สนใจบอกไปอ่ะทำผิดทำชั่วเอาไว้ตั้งเยอะแยะมากมายพอมีคนมาเตือนมีคนมาบอกไม่สนใจอะไรเลยไม่กระตุกไม่อะไรเลยเนี่ยสภาสภาพแบบนี้ นะครับเป็นเพราะอะไรอัลลอฮฺ ت ع ا บอกว่าอินน์จ๊ะลนาอัลลอฺลูบิห์มอคินตะนัยฟะกุสภาพที่คนเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل ได้ทําให้บนหัวใจของพวกเขานั้นมีสิ่งที่มาปิดหัวใจวัลลอฮฺอัลลอฮฺในนี้บอกว่าอย่างไงซาลฺลลอเราได้ปิดบังหัวใจของพวกเขา และเราได้ทำให้มีของหนักอุดหูพวกเขาหัวใจถูกปิดวฟีอ่านิฮิมวักราส่วนหูเองก็ถูกอุดสองอย่างนี้สำคัญอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันของอัลกุราอานอกสริมพี่น้องเห็นไหมครับว่าบางทีนะเราคุยกันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนคาเฟ่คนที่ศรัทธาคนไม่ศรัทธาแต่มันถอดบทเรียนเรื่องอื่นได้ด้วย หัวใจกับหูเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เรานั้นสามารถเรียนรู้อะไรต่างๆในโลกนี้ได้ต้องมีสองอย่างนี้สำคัญมากบางคนไม่มีตานะคนตาบอดเรียนหนังสือได้ไหมคนตาบอดเนี่ยเรียนหนังสือได้เพราะว่ายังมีหูและหัวใจ จริงๆแล้วคนที่มีหูมีตาไอหูหนวกมีตาก็อาจจะเรียนได้แต่อาจจะช้ากว่าอัลลอฮมะลนะครับแต่สองอย่างที่สำคัญมากหูเป็นประสาทสัมผัสแรกของการเรียนรู้เด็กที่อยู่ในคันของแม่ตั้งแต่ยังเป็นทารกเนี่ยเรียนแหละเรียนด้วยอะไรเรียนด้วยหูด้วยการฟังและที่สำคัญมากไปกว่าหูมากก ว, ากว่าตาก็คือ เพราะฉะนั้นถ้าเมื่ อ, อไหร่ก็ตามใจมันปิดไม่มีการเปิดใจเนี่ยคุณอยากจะเรียนอะไรคุณก็ไม่สามารถที่จะเรียนต่อไปได้อีกเราจะไปเหมือนคนที่ปิดตัวเองอะ่ะไม่ย่างเปิดใจฟัง อ, ะอ่ะอะหูมีตามีแต่ใจปิดไปแล้วเนี่ยเราจะไปตักเตือนฟังคุณตาบ้าทุกสัปดาห์ฟังเปิดไหมเนีย่ยน่ากลัว คนพวกนี้เนี่ยที่ถูกปิดหัวใจที่ถูกปิดหูเนี่ยเป็นเพราะว่ารู้แล้วเอลเล็การ่าบอกว่ารู้แล้วซุกคิฟังแล้วเข้าใจแล้วแต่ไม่ยอมศรัทธาไม่ยอมปฏิบัติตามอา่ะงั้นมีหูก็ไม่มีประโยชน์มีหัวใจก็ไม่มีประโยชน์ปิดการใช้งานเสียอย่าให้มันเสียเวลา ไม่ต้องอีกต่อไปไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องไม่ต้องฟังไม่ต้องเข้าใจอะไรอีกต่อไปแล้วถึงจะฟังฮิดายัดแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปวะเลียยบินแหลมินซาลิกนี่คือสภาพนะครับของคนที่เป็นพวกที่ดื้อด้านกับสัจธรรมของอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และจนคนอัลลอฮ์ ت ع บอกว่าว่าอินท oh um ัดด ah ูหุมอิลาลฮดาฟัลันย์ทัดูอิฎันอบดา ถ้าหากเจ้าเรียกร้องพวกเขาเชิญชวนพวกเขาสู่ทางนำแน่นอนว่าคนเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่คือไม่ยอมรับอีกต่อไปไม่ยอมรับทางนำอีกต่อไปตลอดการอัลกิยาอุบิลลัฮิมอัลลิลผลมาจากการที่พวกเขาปิดตัวเองเอลัลลอฮฺตะลาก็เลยปิดหัวใจของพวกเขาให้นะครับไม่ให้ได้รับอิดายะจากพระองค์งอัลลอฮ์อีกในนี้มี تفسير อัลลที่น่าสนใจไหมยุขบิรุลล تعالى that he is not greater than a man who is a servant of Allah, who is shown the ل r ا t h from f a l s ا ل o o d a و d g u i d a n سبحان الله. ไม่มีใครนั่นแหละคือพี่น้องลองนึกสภาพดูว่า ท่านนาบีเนี่ยเวลาที่ท่านทำหน้าที่ในการด่าวะเนี่ยท่านทุ่มเทขนาดไหนเวลาที่ท่านบอกอิสลามให้กับบรรดาพวกกุฟฟารเนี่ยท่านบอกอย่างไรบ้างบอกครั้งเดียวรถจบไหมบอกแล้วบอกอีกบอกแล้วมีคนขัดขวางท่านหยุดบอกไหมไม่เคยหยุดบอกด้วยการกระตุน้น ไม่ยอมรับฟังหยุดไหมก็ยังไม่หยุดบอกด้วยการสัมทับเตือนข่คมขู่ให้กลัวทุกวิธีทางทุกวิธีทางที่ท่านนาบีสามารถทำได้นี่ท่านทำหมดเลยสมมุติว่าส0บวิธี20วิธีที่ท่านนาบีไปเชิญชวนกาเฟรกุฟารกเรชในยี่สบวิธีเนี่ยพวกนั้น แม้แต่ที่จะรับเลยสักวิธีหนึ่งเหมาะหรือยังควรหรือยังที่จะถูกปิดหัวใจให้ตายไปเลยเห็นไหมครับคือถ้าคนหัวใจมันบริสุทธิ์จริงถ้าหัวใจมันยังมีชีวิตจริงหัวใจต้องการรับทางนำจริงๆอะ่ะมันไม่ต้องรอให้ครบย0สบวิธี2ี่สครั้งสาสิบครั้งที่จะไปบอกสัญญาธรรมหรอกใช่ไหมครับ นี่ท่านนาบีบอกทุกวันบอกทุกครั้งที่เจอแล้วเกือบเกือบจะรับหิดายัดเราบางคนก็ฟังอัลกุรอานแล้วนะฟังอัลกุรอานเอ๊ะไม่รู้ว่าสุรนีรู้สุรหไหนที่เราเรียน่สุรอัตูรหที่บอกว่าฟังอัลกุรอานแล้วสุรุนนจมีใช่มฟังอัลกุรอานแล้ ว, ลวจะศรัทธาแต่ท่านนาบีอยู่แ ม, มแล้ว อมีพวกของตัวเองมาแล้วบอกว่าเอ้ยไม่ต้องสัตย์าถ้าเจ้ากลัวว่าจะถูกลงโทษในนรกโยนบาปมาให้กับฉันเองฉันจะรับบาปเองแต่เจ้าต้องจ่ายให้ฉันด้วยนะจ่ายเงินให้รับบาปแทนสุภาพตลอดสุรตุน จ, จมีใช่ไหมครับสุรตุนรุษว่จะเป็นสุรตุน จ, จมีอัฟร่าอิแต่ทีลล่ทวหละและอัตต้าคุลิลวละอัคเดลองกลับไปทบทวนสุรตุนน่าจะมีดู สุดพาน ล, ลคือฟังอัลกุรอานรู้แล้วว่าอัลกุรอานเป็นอย่างไรเกือบจะเข้าถึงสสจธรรมเสร็จสับและปล้อยแล้วมีคนมาบอกว่าเ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอยากไปตามเลยมุฮัมมัดถ้ากลัวว่าไม่ตามมุฮัมมัดแล้วจะเข้านรกไม่เป็นไรโอนบาปทั้งหมดที่ตัวเองทำเนี่ยมาให้ฉันฉันจะรับบาปเอาไว้เองแล้วก็จ่ายค่าจา้างคาาจ้างแบกบาปแทนเขาจ่ายค่าจ้างด้วย อัลลอฮ์อันนี้อยู่ในสุรทูนนจมีนะครับลองกลับไปทบทวนดูและห่าวลาวลตะอิลลาบิลเพราะฉะนั้นคนพวกนี้จึงไม่แปลกถ้าสมมติอัลลอฮ์สตะลจะบอกว่าปิดหัวใจปิดหูเพราะว่าฟังแล้วรู้เรื่องแล้วแต่สุดท้ายก็โยนทิ้งพลสิ่งที่ท่านนบีสุลตาราะสัลลัลลอและอัลกุรอานที่อัลลอฮ์สตะลาประทานลงมา เป็นคัมภีร์ที่เต็นไปด้วยวาราการเป็นคัมภีร์ที่ทรงพลังสุดท้ายคนเหล่านี้ก็ดูแคลนทำเป็นเรื่องเล่นๆทำเป็นเรื่องตลกโปกฮาล้อเลียนวลอยยาตวเล็าไรม่นใเเพราะฉะนั้นสองอายันี้ถ้ามันจะให้บทเรียนอะไรกับเราผมว่าหนึ่งในจําจำนวนบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากก็คือต้องรู้จักคนค่าทั้งของอัลกุรอานุลกรีมและทั้ง ภารกิจหรือหน้าที่ของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตัลลอะรวะซัลลัว่าสองอย่างนี้อัลกุรอานกับท่านนาบนีมีหน้าที่อะไรและมีคุณค่าขนาดไหนสำหรับเราเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจ ะ, ะไม่ได้มีพฤติกรรมเหมือนกับคนที่ล้อเลียนหรืออะไรก็ตามแต่แต่อยากจะกระตุ้นให้พวกเราเนี่ยยกระดับความสัมพันธ์ของเราเนี่ย กับอัลกุรอานจากทุกวันนี้มันอยู่ระดับนี้นี่เราจะทํายังไงให้ยกระดับความสัมพันธ์ของเราให้สูงขึ้นกับอัลกุรอานยกระดับความสัมพันธ์ของเรากับสุนนะของท่านนาบีสุลต่านจากปกติมันอยู่ระดับนี้เนี่ยจะทําอย่างไรให้เราได้ใกล้ชิดสุดดั่งท่านนบีให้มากขึ้นนะยอมรับอัลกุรอานในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วยอมรับมัเสีย ในเมื่อท่านอับด <mir> ุลฮสัลลัมมีหน้าที่ในการที่จะบอกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราและตักเตือนไม่ให้เราทำสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่วร้ายทำไมเรายังลังเลที่จะปฏิบัติตามคำสอนของท่านอีกนะครับอัลลอฮฺทะอาลาอะทานอัลลอฮฺอียาคุบลีมาุฮิบูยาร์ดะหวะซัลลัลลอฮฺละนาบีนามูฮัมมัดอลลฮิวฮวะัลลัมุบฮนะรบบิรบิลตมยฟวะซลามุะลลมุลีน